ทรงปรารพภิกษุณีรูปหนึ่งถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหนึ่งใช้น้ำชำระลึกเกินไปในสิกขาบทที่หนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตห6สมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานเป็นปฐมปาราชิกสมุดฐานละ